อยู่ที่ใครๆจะพึงคิดว่าชนเหล่านี้แม่บวชแล้วก็ไม่อาจแยกกันนะคือเมื่อเดินอย่างนี้มันเป็นเหตุให้คนเขาตำหนิติเตียนได้ว่าคนทั้งสองชายหญิงทั้งสองในบวชแล้วก็ยังเดินตามกันจะทำอย่างนี้ไม่สมควรนะคือเขาจะตำหนิว่านี่หญิงสองหญิงหนึ่งชายสองหญิง หญิงชายทั้งคู่เนี่ยที่ออกบวชเนี่ยมาเดินตามกันผู้หญิงเดินตามชายเนี่ยก็จะตำหนิว่าทำมสิ่งที่ไม่สมควรเมื่อคนทั้งหลายเนี่ยเกิดความคิดว่าเกิดความคิดอย่างนี้แล้วโกรธไม่ชอบใจในพระมหาพัฒพระปิตปิปริหรือพระมหากัสสปะเทระและนางพัตกาปิดาเนี่ซึ่งก็ออกบวชเหมือนกันเมื่อเขามีกิจโกรธในบุคคลทั้งสอง เขาจะไปเกิดในอบายภูมิควรที่เราจะไม่ให้เขาไปตกใน น, ใ น, นรกเราจะต้องละนางไปเสียอันนี้เห็นเลยว่าท่านมีอุปนิสัยแห่งความกรุณาต่อสัตว์โลกนะเห็นกัคนอื่นว่าถ้าคนอื่นเขาจะเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเนี่ยเราไม่ควรทาเขาไม่เห็นเราเดินตามกันไปแล้วเขาเกิดเกลียดเกิดโกรธเกิ ด, กกดตาหนิในใจเขาจะต้องไปตกนรกเพราะเขาไม่รู้คุณความ ความดีของทั้งสองท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปทําให้เขาตกนรกต้องแยกกันแล้วอย่างเนี้ท่านท่านคิดมาอีกนะถึงแม้ว่าท่านเป็นพระรหัทรงทุดงก็ยังคิดถึงคนรุ่นหลังว่าเมื่อคนรุ่นหลังรู้ว่าพระมหากัสปะเถระประพฤติทุดงจะได้ประพฤติตามจะได้มีความสุขในการขัดเกาวกิเลศแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ แสดงถึงการที่ท่านเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลักเนี่ยก็คือการที่ทำสังคายาาครั้งแรกเพราะเห็นว่าต่อไปชนรุ่นหลังเนี่ยก็จะไม่เคารพยํำเกรงในพระพุทธพจน์ในพระธรรมวินยัยเขาทั้งหลายก็จะไม่มีที่พึ่ง เพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแล้วคือทาสังขานาให้เป็นแบบแผนตัวอย่างซึ่งความเคารพสูงสุดในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเพื่ออนุเคราะห์คนรุ่นหลังที่ทำสังยานาเพราะชนรุ่นท่านนะ่ะยังไม่เป็นไรหรอกยังสามารถพึ่งพระพุทธพจน์ได้ยังเคารพกันมากแต่คนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่มีความ ถือเอาพระพุทธพจน์ในเป็นที่พึ่งของตัวเองได้และอีกครั้งหนึ่งก็เรื่องของนางเทพธิดามาทําความสะอาดในคุติของท่านนะนะเพราะท่านรู้ท่านก็ขับไล่ไปบอกว่าเดี๋ยวคนรุ่นหลังเขาจะตําหนิติเตียนเอาตัวอย่างว่าพระมหากัปสปาเนี่ยให้นางเทพธิดามาทําความสะอาดซึ่งเป็นการไม่สมควร เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคิดอย่างนี้แล้วพระเถระจึงเดินไปข้างหน้าเห็นทางแยกสองแพร่งจึงได้หยุดอยู่ที่ต้นทางนั้นฝ่ายนางพัฒนามาถึงแล้วไหวย้ยืนอยู่ครั้งนั้นพระเถระจึงกล่าวกับ น, นางพัฒนาว่าแม่นางเอย๋ยมหาชนเห็นสตรีเช่นเจ้าเดินตามหลังเราเขาจะคิดว่าชนเหล่านี้แม้บวชแล้วก็ไม่อาจแยกกันแล้วมีจิต ประทุสลายโกรธเครืองในพวกเราจะพึงเป็นผู้เต็มอยู่ในอบายพวกเรายืนอยู่แล้วในทางสองแพร่งนี้ท่านจงถือเอาทางสายหนึ่งฉันจะไปทางอีกสายหนึ่งนางพัธากล่าวว่าจริงสิพ่อเจ้าธรรมดามาตุคามคือสตรีเป็นมนทินของบรรพชิตทั้งหลายชนทั้งหลายจักแสดงโทษของพวกเราว่าคนเหล่านี้แม่บวชแล้วก็ยังไม่แยกกัน ท่านจงถือเอาทางสายหนึ่งฉันจะถือเอาอีกสายหนึ่งพวกเราจักแยกกันดังนี้แล้วทำประทักษิณสามครั้งไหว้ด้วยเบญจางคปดิ์ในที่ทั้งสี่แห่งคือข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาประคองอัญชรีอัน ง, งดงามด้วยด้วยนิ้วทั้งสิบแล้วกล่าวว่าความสิริสนมในฐานะมิตรกัลยาณมิตรนะนะ ซึ่งได้ทําไว้ตลอดกาลนานประมาณหนึ่งแสนกับจกแตกทําลายในวันนี้แล้วกล่าวว่าท่านมีชาติกําเนิดเบื้องขวาทางขวาสมควรแก่ท่านฉันชื่อว่าเป็นมาตุคามมีชาติเบื้องซ้ายทางซ้ายสมควรแก่ฉันดังนี้แล้วก็ไหว้แล้วเดินทางไปทางซ้ายในเวลาที่ท่านทั้งสองนั้นแยกทางกัน มหาปัตถพีนี้ได้สะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนจะพูดว่าเหมือนมหาปัตถพีแผ่นดินจะพูดว่าเราสามารถรองรับเขาจั ก, กรวาลและเขาซิเนลุได้แต่ไม่อาจรองรับคุณธรรมความดีทั้งสองของพวกท่านได้ในอากาศมีเสียงเหมือนฟ้าผ่าภูเขาจั ก, กรวาลก็โอนโน้มลงด้วยคุณธรรมนะไม่ใช่ด้วยเหตุอื่น คือคนทําความดีที่อัศจรรย์เนี่ยแม้แผ่นดินก็ได้วันไหวด้วยอำนาจความดีอันนั้นท่านทั้งสองเนี่ยบำเพ็ญบรารมีร่วมกันมาตั้งแสนกับแต่ก็ได้ละทิ้งความใกล้ชิดสิทสนมกันด้วยเหตุอะไรละด้วยเหตุแห่งการคิดว่าคนอื่นเขาจะต้องไปสู่นรกนะด้วยเหตุแห่งความการุณา แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งในพระคันธกุดีในพระเวรุวันมหาวิหารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารถวายให้เป็นวัดแรกได้สดับเสียงแผ่นดินไหวจึงทรงพระรำพึงว่าแผ่นดินไหวเพื่อใครหนอทรงทราบว่าปีพริมานบและนางพัทธกาปิลานีละสมบัติหันนับไม่ได้แล้วบวชอุทิศเราคือพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตะ์ในโลกนะ แผ่นดินไหวนี้เกิดด้วยกำลังแห่งคุณธรรมของคนทั้งสองในตอนที่คนทั้งสองนี้แยกทางกันเราก็ควรทำการสงเคราะห์คนทั้งสองนี้จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีลำพังพระองค์เองทรงถือบาทและจีวรไม่ตัดเรียกใครๆในบรรดาพระมหาสาวกเสด็จไปต้อนรับสิ้นทางสามขาวุฒิสามขาวุฒินี่ก็ รประมาณจะสักเก้ามั้งเก้ากิโลเมตรนะครับประทับนั่งขัดสมาธิที่โคนต้นพระหุปุตต ะ, ะนิโครธระหว่างกรุงราชะครึกับเมืองนารันธาก็แสดงว่าบ้านหรือเมืองของพระมหาการสปาก็อยู่ไม่ไกลนักไม่ไกลเมืองนารันธาและราชะครึกนัก ก็เมื่อประทับนั่งมิได้ประทับนั่งเหมือนพระผู้มีเหมือนพระผู้ถือบังสุกุลเป็นวัดรูปหนึ่งคือคือพระุเจ้าเนี่ยสามารถไปด้วยเพศของพระภิกษุธรรมดาก็ได้หรือจะไปด้วยภาวะของพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงถือเพศเป็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งเปล่งพระศมีทึบประมาณแปดสิบศอกพระศมีฉับพลันดังสีเนี่ยแผ่ออกไปประมาณแปดสิบศอกดังนั้น ในขณะนั้นเองพระพุทธรัศมีมีประมาณเท่าร่มใบไม้เท่าร้อรถและเรือนยอดเป็นต้นวิ่งฉวัดเฉวียนไปรอบด้านทำให้เหมือนเวลาพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นเป็นพันพันดวงทาให้ชายป่านั้นมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันพื้นท้องฟ้าประหนึ่งระยิบระยับด้วยหมู่ดาวเรืองรองด้วยพสัสดิแห่งพระมหาปุริสลักษณะ32ประการ ชายป่ารุ่งโรดดุดน้ำที่มีดอกบัวบานสะพรั่งธรรมดาต้นนิคโครทะหรือนิคโครต้นใสนะมีลำต้นขาวมีใบเขียวมีผลสุกแดงแต่วันนั้นต้นนิคโครทะกลับมีกิ่งขาวมีสีเหมือนทองด้วยฉับพันนลังสีนะนะั่นแหละพระมหากัสปะเถระเดินมาพบคิดว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระศาสดาของเรา เราบวชอุทิต菩萨ศาศาสดาพระองค์นี้ดังนี้แล้วจำเดิมแต่ที่ที่มองเห็นคือตั้งแต่ที่ได้เห็นก็ได้น้อมกายเดินไปไม่เดินปกติแล้วนะน้อมไปด้วยความเคารพไหว้ในที่สามแห่งหรือในที่ใกล้สามแห่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ พระองค์เป็นสาวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกอันนี้เป็นการถึงไตสนาคมอย่างที่เรียกว่าการมอบตนเป็นสิทธ์นะศาสดานี้ก็คือเป็นเป็นผู้สอนเป็นพระอาจารย์เป็นอาจารย์นั่นเองนะยอมตนเป็นสิทธ์ก็คือคําว่าสาวกนั่นแหละยังไม่ได้สอนเลยนะเพียงแต่เห็นปาฏิหาริย์ที่บุตรเจ้าทรงแสดง ก็ตระหนักว่าพระพุทธภาคเจ้าเสด็จมาต้อนรับจึงได้กล่าวใตรสนาคมอย่างนั้นลำดับนั้นพระพุทธรภาคเจ้าได้จัดพ ร, ระมหากัสสปะเถระว่าดูก่อนกัสสปะถ้าเธอจะพึงทําการนบนอบนี้ไว้ในมหาปัฏถพีไซแม่มหาปัตถพีนั้นก็ไม่อาจรองรับเอาไว้ได้การนบนอบที่เธอกระทํา ย่อมไม่อาจทำแม้ขนของเราให้สัน่นเพราะเจ้ถาคตมีคุณใหญ่หลวงอย่างนี้นั่งลงเถกัสปะเราจะให้ทรัพย์อันเป็นมรดกแก่เธอคือถ้าไปกราบแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยไม่มีคุณพอที่จะรับการเคารพของพระมหากัตสปะได้แผ่นดินเนี่ยจะต้องวันไหวหรือไปกราบบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็ไม่มีคุณ ที่จะรองรับไว้ได้ยกเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นที่คนโบราณเขาบอกว่าอย่ากราบอย่าไหว้คนที่มีอายุน้อยกว่าเดี๋ยวอายุน้อยอายุจะสั้นไหวอย่างนั้นคือหมายความว่าคนมีอายุมากกว่าเนี่ยมีมีคุณสมบัติสูงกว่าแล้วไปไหว้กราบคนมีอายุน้อยคนอายุน้อยจะอายุสั้นไปเขาเขาเขาถือกันอย่างนั้น แต่ว่าในที่นี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเลยบอกว่าแม้จะเพียงขนนะพระโลมาที่จะสั่นที่จะวันไหวในคุณของพระมหากรสปาเนี่ก็ไม่มีคุณพระมหากัสปานี่คือการออกบวชนั่นแหละนะที่จะเสียสละโภคทรัพย์พทั้งปวงเพื่อที่จะมาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกเราจะให้ทรัพย์อริยทรัพย์มีอะไรบ้างอะศรัทธาศีลสุตะ จากะวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้นะให้แก่พระมหากัสปะซึ่งมีค่าสูงสุดเลยเพราะว่าจะยังให้ความสุขอันสูงสุดคือการทำให้แจ้งซึ่งป า, านิพานพ้นวัตสงสารบังเกิดขึ้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานอุปสมบท แกพระมหากัสปะด้วยโอวาทสามประการก็เนื้อเรื่องอยังมีอยู่นะยังมีอีกมากก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ที่เห็นได้ชัดเจนที่มีความสงสารจัดโลกอย่างเช่นพระมหากรสปะก็ได้มาต้อนรับแล้วก็ให้โอวาท ประทานอริยทรัพย์ให้นอกจากนี้ก็พระปัญญาที่คุณของพระองค์ที่บริสุทธิ์กว้างขวางใหญ่หลวงรู้สรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณที่หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสเราทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุตตพุทธคุณอย่างนี้แล้วก็จะได้ทรัพย์อันประเสรศิฐคือศรัทธาเป็นต้นจะอาศัยทรัพย์นี้เป็น เครื่องกับจักกิเลสให้พ้นทุกในวัฏสงสารได้ก็บรรยายการบัญญายธรรมมาหมดเวลาลงเพียงนี้ก็ขอให้ผลบุญที่ท่านได้ฟังธรรมด้วยความเคารพจงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านได้เห็นธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้แล้วโดยพรันสิ้นกิเลสสิ้นวัฏสงสารทุกท่านเทิด